เป็นปัญญาที่นำออกจากการเกิดเป็นเปรตอสุรกายและเดรฉามทั้งหลายเป็นปัญญาที่นำออกจากชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมานตและอุปาญาสรุปว่าเป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิที่นำออกจากวัตทุนำออกจากสังสารทุกข์นั่นเองบทว่าสัพพะทุขทขขยายะเนี่ยนะได้แก่ น, นำออกหรือเป็นทิฏฐิเป็นปัญญาที่นาออก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 เท่าไรสี่สิบอ็ดถ้าผู้ใดปฏิบัติตามอาปิริหารนิยธรรมทั้ง4ี่ิอดหัวข้อได้เนี่ยนะโ้หนี้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเจริญอย่างเดียวพ้นทุกได้แน่นอนรับรองเลยนะพระพุทธเจ้าประทับตรารับรองว่าเจริญอย่างเดียวเสื่อมไม่มีไม่มีเสื่อมทูกอย่างเดียวไม่มีผิดเหมือนกันเถะทูกอย่างเดียวไม่มีผิดนะที่จริงอนะธรรมะหก อ, อไปสี่สิบเอ็ดหัวข้อเหล่านี้เนี่ยนะห้สัตตกะหนึ่งหกฉกกะเนี่ยนะ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 หรือว่าเจริญในความคิดหรือว่าเจริญในความเชื่อนะแล้วความเจริญเหล่านั้นพ้นจากทุกได้เป็นต้นจริงไหมเนี่ยนะก็สำรวจตรวจสอบดูบปริหานิยธรรมเกี่ยวกับเรื่ององมีองค์ประกอบองค์เนี่ยนะมัวแรกเลยนั้นก็คือในระดับสังคมพูดนะรว ม, รวมในระดับสังคมเช่นข้อหนึ่งประชุมกันบ่อยๆ2 อ, อพร้อมเพียงการประชุมและก็ช่วยกันทากิจสไม่บัญญัติเพิ่ม ส่ข้อ 3. เนี่ยนะไม่บัญญัติเพิ่มไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติ 4. บูชาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ข้อหก็ไม่รู้อำนาจแกตัญหาก็คือไม่มีตัญหาที่เรียกว่ายินดีในรถเป็นต้นเนี่ยพาไปสู่วัตตะแล้วก็เป็นผู้ที่ยินดีในเสนาสนะราวปา่าตั้งสติไว้เพื่อที่จะได้พบผู้มีศีลที่ยังไม่มาผู้ที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขกันนะ ดังกลุ่ม7ข้อแรกนี้ก็คือในองค์ประกอบในการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนสะพรมจารีผู้มีศินทั้งหลายเรียว่าถ้าปฏิบัติใต้ดานี้องค์กรก็เจริญส่วนอ ป, ปริย า, านิยธรรมศัตรกที่สองเนี่ยนะก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวละเกี่ยวกับส่วนตัวไม่ยินดีในการมาไม่ยินดีในการพูดคุยไม่ยินดีในการหลับไม่ยินดีในการคลุกคลี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 มีใครเป็นเพื่อนล่ะตอนนี้บา ง, งั้นคบใครอยู่เพื่อนเห็นเพื่อนได้ยินเพื่อนเพื่อเพื่อนคุยเนี่ยเป็นใครเนี่ยนะหรือว่าได้คุณธรรมบอกพอแล้วได้นี้นหน่อยหน่อยก็พอแล้วอ่านะหรือไม่หรือถ้าปฏิบัติตามแบบไม่อะไรนะไม่ยินดีในการงานไม่ยินดีในการพูดคุยไม่ยินดีในการหลับไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ปรารถนาเป็นบาปไม่คบเพื่อนชั่วไม่เลิกในระหว่างทางถ้าอย่างนี้ก็เจริญได้โดยส่วนเดียว ส่วนสัตตกะที่สาเนี่ยนะสัตตกะที่สมก็เกี่ยวกับสัตธรรมเจ็เนี่ยนะสัตธธรรมเจก็คือเช็คตรวจสอบดูว่าเรามีศรัทธามีฮิริมีโอตตะปะถึงความเป็นพหูสูตรมีความเพียรมีสติเข้าไปตั้งเอาไว้มีปัญญาหรือไม่ถ้ามีคุณธรรมเจ็ประการเหล่านี้คือมีศรัทธาฮิริโอตตะปะสุตะมีวิริยะมีสติมีปัญญาถ้ามีคุณธรรมเจ็ประการเหล่านี้ก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม น, นี่เรียกว่าอริยสัพย์ภายในคุณธรรมภายในธรรมะที่ทําให้ช่วยพ้นทุกภายในส่วนสัตตกะที่4ี่อปริหานิยธรรมก็คือโพชฌงเจ็ถ้ายังเจริญโพชฌงเจ็อยู่เนี่ยนะก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเนี่ยนะถ้ายังอบรมเจริญอ่าโพชฌงทั้ง7อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละหรือที่เรียกว่าเจริญโพชฌงที่อ่าโพชฌงทั้ง7ประการเหล่านี้ที่บุคคลเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วเนี่ยนะ ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานหรือถ้ายังเจริญสัญญาที่เป็นไปในส่วนแห่งการชำระกิเลสเจประการคืออนิจจสัญญาอนัตตาสัญญาอสุภาพสัญญาอาทีนาวสัญญาปหานสัญญาวิราค้าสัญญาและนิโรธสัญญาเรียกว่าสัญญาเกี่ยวกับนิเพทภาคิยสัญญาสัญญาที่อยู่ในส่วนแห่งการชำระกิเลสเป็น สัญญาที่เป็นไปกับอนุปัสนาเป็นสัญญาที่นําออกจากวัตถุ ก, กสัญญาเหล่านี้ก็เกิดร่วมกับปัญญานั่นเองเนี่ยนะเกิดร่วมกับวิปัสนาปัญญาเป็นต้นเพราะผลถ้ายังเจริญวิปัสนาอยู่ก็พ้นจากทุกข์แน่นอนส่วนชักสัตตกะขอไปชักกะนะชักกะหมวด6ฉักกะหมวดหนั้นมีอยู่ก็คือสารานิยธรรมหประการเนี่ยนะ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 ทั้งนั้นเนี่ยนะตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองราชครื้หรือประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูดเล่ากันมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่บนภูเขาคิจกูดใกล้กรุงราชครื้นั้นนะ่ะกระทำธรรมมีคาถานี้แลเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยพระดํารัสว่าเศนเนี่ยมีอยู่ประมาณเศลมีอยู่ด้วยประการชนนี สมาธิมีอยู่ด้วยประการชนีปัญญามีอยู่ด้วยประการชนี้ก็แจกแรงรายละเอียดเกี่ยวกับอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาซึ่งเป็นาศาสนะพรหมจรรย์ศาสต์เพราะคําว่าพุทธาศาสนาะเนี่ยนะโดยเฉพาะาศาสนะพรหมจรรย์นั้นหมายถึงอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาก็จําแนกว่าศีลมีประมาณเท่านี้สมาธิมีประมาณเท่านี้ปัญญามีอยู่ด้วยประการชนี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 ปัจจยาสานิสิตสินและอาชีวะปาริสุทธิสีลสีนมีอิติสีลังด้วยประการอย่างนี้ชื่อว่าสีนสีนหมายถึงจตุปาริสุทธิสีลหรือศีลวิสุทธินั่นเองนะหมายถึงศีลวิสุทธิเอจิตเตกขาตาในชื่อว่าสมาธิเนี่ยนะนะสมาธิมีอย่างนี้สมาธิมีเท่านี้เกี่ยวกับเรื่องสมาธิทั้งหลายหมายถึงสมาธิที่เป็นอุปจารสมาธิและ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 อันนี้ก็เป็นบาตแห่งวิปัสนาเป็นบาตแห่งกังทิถิวิสุทธิเป็นบาตแห่งกังขาวิตรนะวิสุทธิเป็นบาตแห่งมคามคญาณทัศนวิสุทธิเป็นบาตแห่งปฏิปทายานทัศนวิสุทธิคืออนุปัสนาทั้ง7ประการเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อญาณทัศนวิสุทธิคืออริยมรรคนั่นเอง